ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องการบำเพ็ญบารมีสู่โพธิสัตว์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ที่ราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตารับฟังได้นะบัดนี้ พูดได้ศึกษาธรรมะด้วยสมาธิฏฐิมันได้พิสูจน์ธรรมะด้วยมรรคองคแปดได้ประพฤติจนถึงภาวนาใหม่มีผลแก่ตนแก่ตนจนสามารถแจ้งในธรรมในสัจธรรมพอสมควรแล้ว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 ผู้ไดกระทากรรมแม้น้อยแม้นิดก็ยอมเป็นของจริงนรกสวรรค์บาปบุญขึ้นอยู่ที่กรรมผู้ทากรรมเป็นบาปยอมเป็นนรกผู้ทากรรมเป็นบุญ ยอมเป็นสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์มีจริงผู้ใดทาก็เป็นทายาทของกรรมทาชั่วยอมได้บาปได้นรกทาดียอมได้บุญได้สวรรค์ผู้ซึ่งกระทาจริงแล้ว ย่อมเป็นผู้ที่มีแล้วผู้ระวังดีแล้วย่อมละบาปละนรกผู้ระวังให้จริงสังวรด้วยสติปัฏฐานสีด่ด้วยโพชงเจ็ดด้วยโพธิปักเทียธรรมสามสิบเจ็ดอย่างยิ่งแยบคายขึ้น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 ที่จะทำสวรรค์หรือทำนรกหรือทำนิพพานให้แก่ตนแก่ตนเองเป็นกรรมสกตาของตนของตนจริงๆเท่านั้นเท่านั้นเราทำวัดกันเนี่ยทำให้เป็นจารีต ทำให้เป็นจารีตประเพณีทำให้เป็นกิจที่เรากระทำเหมือนก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราก็ธรรมดาบางผู้บางคนก็สีฟันในโลกเขาให้มันเป็นเรื่องประจำกิจวัตรแล้วก็ต้องรู้ว่าเราทำเพื่ออะไระต้องมีสติ มีการาระลึกรู้อยู่เสมอสตินี่ต้องนำมีสติรู้รู้กายรู้วาจารู้มโนรู้ใจรู้กายวาจาใจอะไรก็รต้องรู้ตามไปหมดแหละทะวารทั้งหกมีสติสัะชัญญะควบคุมอินทรีย์ทั้งหกแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามที่เราได้เราได้เรียนมา นะระมัดระวังพิจารณาซ้อนลงไปในการมีสติปัฏฐานนอกจากหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายแง่หลายมุมแบ่งเป็นหลักนั้นหลักนี้เอามาประสมประสานกันแล้วมันจะชัดเจนหมดอนะย่างในตันหาสูตรหรือในอวิชชาสูตรเนี่ยที่บอกว่า อวิชามีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารพราะนันะตะแผว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่รู้จักไม่มีสติไม่รู้จักว่านิวรณ์ห้ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็สร้างปรุงนะทำให้มันเกิดนิวรณ์ห้าเนี่ยตลอดเวลา บ่อยๆเพราะชีวิตของเราก็เติมไปด้วยอวิชชาไปเรื่อยๆ เ, เ, เพราะว่านิ่วอร์ห้ามันเป็นอาหารของอวิชชาเพราะถ้าเราไม่รู้จักอารมณ์ที่มันเป็นกามอาการของกามมันคืออะไรอาการของพยาบาทคืออะไรอาการของทินมิทธคืออะไรอาการของกุติจักกุตจัอาการของวิจิกิจชา คืออะไรคืออย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีเหตุปัจจัยยังไงถึงเกิดนี่วรรห้าเนี่ยมีคำสามเป็นอาหารคำสามก็มีการไม่สํารวมอินทรีย์หกเป็นอาหาร เมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วเราต้องระวังกายกยกรรมวจีกรรมมโนกรรมคำสามเราต้องระวังตามหูจมูกลิ้นกายใจวาวรหสํมรวมสุ่งวรที่ว่าต้องสํมรวมสุ่งวรที่ว่าต้องระวังก็เพระวัตมันเป็นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันจากไม่สํารวมอินทรีย์หกแล้วก็มีความไม่มีสติสัมปชัญญะ ความไม่มีสติสัพพัญญาเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์หไม่มีสติสัพชัญญะนี่ยก็หมายความว่าสติสัพชัญญะนั้นจะต้องเป็นสติญญที่รู้ตัวถึงขั้นเป็นสมมาสติญญหรือว่าเป็นสติสัมโพธิชงและถ้าเผื่อว่าได้ศึกษากันไปถึงขั้นที่เราเราศึกษากันมาแล้วเนี่ย เราจะต้องมีสติในระดับของสติปัฐานสีสติปฐานส<ม>ีก็คือต้องรู้ความประชุมเรว่ากายรู้ไปถึงจิตในจิตเรว่าเวทนาเป็นเจตสิกในจิตรู้อาการของจิตโดยรวมรู้กิเลสที่ผสมอยู่ในจิตเร่รู้จิตในจิตรู้กายรู้เวทนารู้จิต ลรู้ธรรมะโดยเฉพาะธรรมะหลักแรกเลยก็นิวรห้ารู้จักนิวรห้าอ่ารู้จักะไรอะไรอีก 5. นิวรห้าอุปทานขันห้าแหมลืมคำอุทานอุทานขันห้ารู้จักอายตนะหรู้จักโพชฌงเจ็ รู้จักอริยสัจสี่พวกนี้เป็นธรรมะหัวข้อต่างๆที่ท่านสาธยายไว้เป็นหลักฐานต่างๆที่จริงธรรมะมีมากกว่านั้นก็ได้นะรู้ธรรมในธรรมเนี่ยรู้มากกว่านั้นก็ได้แต่หลักทั้งสามสี่ห้าหลักนี่มันชัดนะ่ะรู้จักอริยสัจสี 4, ่ก็แถบจะเรียกว่ารู้จบแล้ะละรู้ทุกอย่างเพราะฉันรู้ตั้งแต่ไอตัวซอยลงไปเรือริมบ่อน่าอาการของนิบอน่เป็นยังไง ขันห้าของเรานี่มีอุปทานขนาดไหนมีอุปทานในขันห้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยซอยลึกลงไปลู่นิวนหานในเวทนาอ่าในสัญญาในสังขารในวิญญาณมีรูปมีรูปธรรมจนกระทั่งถึงรูปกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนี่เป็นอจตนาทั้งห หรือมีทวารทั้งหกนีก่ต่อเนื่องเขาไปเป็นอายตนะเป็นตัวที่มันพอกระทบสัมผัสในตาก็เห็นเป็นรูปในหูก็ได้ยินเป็นเสียงอะไรต่างๆพวกนี้ยรู้เข้าไปในอายตนะทั้งหแล้วเราก็มีหลักโพชชงเจ็ดมีสติปัฏฐานเออมีเจ็มีสติสัมผูชงมีธรรมวิจัยสัมผูชงมีวิริยะสัมผ์ชงอ่า รู้จักมีสติคืออะไรยังไงสติที่มันคืงขั้ น, น, นสัมโพธชงคือสติที่ในระดับเป็นองค์ในการตรัสรู้เพราะมีธรทำวิจัยวิจัยในกายในกายวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตวิจัยธรรมในธรรมวิจัยออกวิจัยได้จริงๆวิจัยอ่านเวทนาในเวทนาถึงเวทนาร้อยแปดนั่นแหละกายกับรู้องค์ประชุมข้างนอกองค์ประชุมข้างใน องประชุมของสิ่งที่เป็นวัตถุมากระทบทางตามากระทบหูอะไรก็แล้วแต่เป็นองค์ประชุมกันขึ้นมาแล้วแล้วก็มันในองค์ประชุมนั้นก็วิจัยวิเคราะห์กายในกายนั้นออกไปอีกได้ว่านั้นประชุมกันอันไหนที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอันไหนที่มันเป็นกิเลสแฝงเป็นทุจริตเป็นซึ่เรื่องเป็นสภาพที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเอกายกรรมอย่างนี้ไม่ดีอย่างงี้เป็นต้น วัจจีกรรมเนี่ยมันไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีอย่างงี้อย่างงี้ดีก็รักษาไว้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยทาให้มันดียิ่งขึ้นทำยังไงกายกรรมก็ดีวัจจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะเข้าใจเราจะเรียนรู้ทำรรวิจัยสมโพธิงนี้เป็นตัวสำคัญมากทำไมมีทำวิจัยสมโพธิชนไม่มีความรู้อะไร ก็สอนกันทั่วไปก็สอนตัวให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสติรู้สติรู้รู้ ร, รู้ปล่อยวางรู้ปล่อยวาง ร, รู้ปลออ่อย<ม>วางอะไรก็วางหมดวางหมดวางมไม่รู้ว่าอะไรควรจะทําให้ยิ่งอะไรควรจะต้องวางต้องปล่อยอะไรควรจะต้องทําให้สู ญ, ญหายหรือฆ่าให้ตายเราก็ไม่รู้ <Ĉ S 1> ละเอียดละออวิจัยไม่เป็นวิจัยไม่ออกวิจัยทำไม่เป็น นิ่วอห้าคือตัวที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าอาการอย่างนี้มันอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละแล้วก็มันเป็นตัวสำคัญที่มันจะผลักดันให้เกิดกายให้เกิดวาจาอะไรจะเป็นกามวิตกอะไรจะเป็นพยาบาทวิตกอะไรจะเป็นดิหิงสาวิตกทางจิตจิตที่มันสังกปะตักกวิตกะสังกปะเนี่ยมันค่ อ, คอยๆตรึกค่อยตรึกค่อยนึกค่อย คิดแล้วก็ค่อยปรุงก็แต่งกันขึ้นมาเป็นสังกปะจนกระทั่งสังขารปรุงก็ไปเป็นวัชีสังขารจิตของเรามีความแข็งแรงมีความมั่นคงมีความตั้งมั่นเป็นอัปปนาพยั ป, ปนาแค่ไหนถ้ามีการกระทบสัมผัสทางตางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันทําให้เกิดการไม่วันไวแล้วไม่แน่ไม่นอนแล้วไม่อั ป, ปนาแล้วไม่พยั ป, ปนาแล้วชักจะไม่มั่นคงชักจะไม่แน่แน่ชักจะไม่ ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยู่อย่างที่มันเคยตั้งใจจะให้มันแข็งแรงไม่ให้มันมีอาการของกิเลสมีอาการของนิวรณ์มีอาการของลักษณะของสิ่งที่มันเป็นกิเลสเราต้องหัดอ่านไปจะรู้กิเลสรู้ตันารู้ความยึดติดรู้ความเป็นอุปทานเพราะเราติดอยู่นะอันนี้เราเสพอยู่เราติดอยู่เราหลงอยู่เรายึดมันเราไม่ปล่อยเราไม่วางเราไม่ยอมพลาก ไอสิ่งที่มันชัดๆเราเป็นกิเลสหรือเป็นสิ่งที่เป็น อ, อกุศลแท้ๆเรายังวางมันไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปหวังเลยว่าไอ้ดีๆที่เราต้องอาศัยอยู่แล้วเราจะหัดปล่อยวางอีกชั้นหนึ่งเนี่ยแม้แต่ดีแม้แต่เราเองได้อริยคุณเราก็จะต้องไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นชั้นสูงนี่ซ้ําไม่ต้องไปพูดเลยว่าไอ้ขนาดชั้นสูงเนี่เออเราจะต้องอาศัยอยู่ด้วยนะแต่เราก็ต้องวางใจใจวางแต่ยังมีอยู่นะอย่างนี้เป็นต้น แล้วเปคุณค่าที่เราจะต้องอาศัยรักษาให้มันเจริญโดยยิ่งไปโดยซ้ําไปนั่นเป็นชั้นสูงเพราะอันใดแค่เรารู้ว่าเ อ, เอ้ยนี่มันของที่ไม่ต้องมีมีในเราเลยมันอกุศลมันทุจริตเรารู้อาการรู้สภาพแม้แต่วัตถุข้างนอกเป็นเหล่าเป็นยาเป็นบุหรี่อะไรงี้เป็นตัวยกตัวอย่างง่ายๆเราก็ยังไปไปติดไปยึดมันนี่เป็นอุปท า, านไปช่วยมันไว้ อุปทานอาทานช่วยมันไว้ไม่ตั้งใจเลิกละมันก็แพรมาตั้งแต่ตน้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถรู้ว่าไอ้นี่วัตถุนี้มันก็ะยาบาคนทั้งหลายเขก็รู้อารมณ์ใจของเราเราก็รู้ว่าเราปล่อยได้วางได้ไม่ติดไม่ยึดเจอก็เฉยๆไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดความหวั่นไหวไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรจิตแข็งแรงแน่วแน่มั่นคง เกตาโอภินิโรปนาอาการของจิตนี่ปักมันไม่คลอนแคลนแม้จะกระทบสัมผัสอย่างไรก็ไม่มีอาการวอกแบบวันไวไม่มีอาการกิเลสไม่มีอาการอยากไม่มีอาการนึกแม่เสีย ด, ดายระลึกถึงรสชาติเคยเป็นเคยมียังไงก็ระลึกได้แต่ใจไม่มีซ่อนลึกลงไปอ่านในใจก็ไม่มีอะไรวันไวไม่มีอะไรเป็นเป็นเรื่องที่จะมาหลอกมาล่ออะไรนึงตด เราจะอ่านอาการจิตนีดด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมแปลว่าความท่องแท้ความแยกคายความละเอียดละ อ, อรึกซึ้งในญาณปัญญามณสิกานแปลว่าการทำใจในใจใจที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นี่เป็นอาการต่างๆของใจ น, นแะเราก็ทำใจของเราได้ใจของเรามีกิเลสก็ทำให้ใจออกจากกิเลส ใจของเราจะใช้งานเป็นกุศลแล้วก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมให้มันเป็นอภิสมาจารให้มันเจริญยิ่งยิ่งย่งยิ่งขึ้นไปได้บาปสมาจารก็ทําให้มันหายได้อภิสมาจารก็ทําให้มันเจริญให้มันแข็งแรงให้มันทวีคูณตั้งมัน่นได้เรียกว่ามณสิกานโยนิโสมณสิกานาจะทําให้สติสัพปพปัญญะเจริญ สติชั้ประจัญญจเจริญจะทำให้การสำรวจอินทรีย์หกเจริญแต่ถ้าไม่มีไม่มีการสำรวจอินทรีย์หกก็เป็นอาหารให้ทุจริตสามเกิดคือกายยกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเกิดกายยกรรมวจิกรรมโรร ม, รร ม, รรมโนกรรมเกิดก็ยิ่งสั่งสมลงเป็นอาหารให้แกนิวอร์นนิวอรนาเกิด ก็เป็นอาหารในการเอาวิชาขางงเงาไปทุกวันไม่งงเงาหรอกฉลาดเลยซ้ําไปคนใน ห, หาอะไรเสริมอะคนทุกวันนี้มันฉลาดนะฉลาดหากามใส่ตัวฉลาดหาพยาบาทใส่ตัวฉลาดสร้างเลยนะบํารุงบําเรอได้นะไม่โอ้ยกามจะหมดนี่ไม่ได้ต้องไปหาอะไรมาดบพอได้เสพกามได้บํารุงการโอ้โหได้จ่ายได้อะไรก็กามรื่นเริงสมเสพส ม, ส ม, สมใจ อู้เป็นสุขขึ้นสวรรค์ห่อห้อยยังไงก็ติดเข้าไปหนาเข้าไปเท่าไรเท่าไรเขาก็ไม่รู้เขาไม่ได้เรียนเขาไม่รู้เขาใส่เข้าไปเรื่อยแล้วมันจะไม่อวิชามันไม่มากมายขึ้นได้ยังไงรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ว่าต้องเสพแต่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ได้รู้ด้วยปัญญายานทางโลกุตระธรรมไม่เป็นโลกุตระปัญญามีแต่โลกิยาปัญญาหรมันเขไม่เรียกโลกิยาปัญญาก็เรียกโลกิยา รู้อย่างโลกียะเท่านั้นน่ยมันเป็นเชกะหรือเช ก, กตาตเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโยนิโสมนัสิการตรงนี้ก็สําคัญคือไม่มีความละเอียดละออนไม่มีความแยบคายไม่มีความชัดแท้ถ้าท่องแท้แล้วหมดวิจิกิจฉาตรงนี้แหละตรงโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวไขความว่านิวรทั้งห้าเนี่ย ตามก็พอรู้พยาบาทก็พอรู้นะทีนัมิธาก็พอเข้าใจอุทจักคุกุจักก็กพอเข้าใจและวิกิกิฉานี่มันยังไงทำไมเป็นเป็นนิวร์ด้วยมันเป็นตรงที่ว่าเราขณะนี้เรามีโยนิโศไหมเรากำลังทำใจในใจของเราได้ไหมเรากำลังปรับใจของเราได้ไหมถ้าเราอ่านใจเราออเราอตอนนี้เราอยู่ในภาคปฏิบัติกำลังอยู่ในม อยู่ในมรรคเพราะว่าขณะนี้นี่เรามีสติสัพพัญญะปัญญากระทบสัพพตตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมีกายกรรมวิจิกรร ม, มโนกรรมอยู่เราก็สามารถอ่านใจของเราได้ทำใจของเราได้อยู่มณสิกานเรากําลังมีสติสัพชัญญะและมีปัญญากําลังมียานปัญญาอ่านอ่านอาการใจเราออกอย่างแยบไายอย่างโยนิโสอย่างทองแท้ ของแท้อ่านชัดอ่านรู้เรานี่แหละจะรู้ว่าเราอ่านใจเราออกไปเดี๋ยวเนี้ยตอนเนี้ยขณะเนี้ยกำลังเกิดอาการกําลังมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาสัมผัสกับศัตรูศัตรูเป็นคนก็าตามศัตรูเป็นวัตถุก็าตามแหมวัตถุอันนี้เนี่ยมันทําให้เราเกิดกามวัตถุอันนี้มันทําให้เราเกิดพยาบาทวัตถุอันนี้มันทําให้เราเกิดฟุ่งซ่านหรือว่าเกิดวัตถุวัต ถ, ถุภายนอกเช่น สถานที่นี้ทำให้เราชวนหลับน่ะมันมีโอ้โหลมเย็นนะอากาศใสนั่งไปก็ะตาลงรีแล้วนี่วัตถุมันมาสัมผัสเรามันชวนเรานะแต่ถ้าให้เราเกิดธีนะมิทะวัตถุพวกนี้เป็นเหตุคืนไปตั้งใจสู้มันหรือึ้นอยู่อย่างนี้ให้วัตถุพวกนี้กล่อมเราในเซตอำนาจวัตถุอำนาจองค์ประกอบข้างนอกเนี่ยมันพาเราหลับแน่แน่แน อะไรนี้เป็นต้นเนี่เราจะอ่านออกทั้งวัตถุที่ทําให้เราเกิดนิวรน า, าจะเป็นวัตถุที่ไม่ใช่ชีวิตหรือเป็นคนทําให้เราเกิดกามเกิดพยาบาทเกิดที่นมิท่เกิดอุทจักขุกุจกัจกหรือทําให้เราเกิดมึนเมาสงสัยงงงวยแล้ววิจฤกิจฉาแล้วตอนนี้ชักสงสัยชักไม่แน่ใจชักไม่มีประสิทธิภาพทางจิตชักเบลอละชักสับสนละอะไรก็ตาม ก็แสดงว่าจิตของเราไม่โยนิโสมณัสการจิตของเราไม่ท่องแท้จิตของเราไม่คมไม่ชัดไม่มีญาณไม่มีปัญญาถ้าจิตของเรามีญาณมีปัญญาท่องแท้แยกคายละเอียดละออมีประสิทธิภาพในการอ่านในการวิจัยธรรมวิจัยสัมโพธิชนมีประสิทธิภาพธรรมวิจัยสัมโพธิชนมีประสิทธิภาพที่สามารถอ่านออกและยังนอกจากธรรมวิจัยสัมโพธิชนมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีฤทธิ์มีเดชมีมนมันมโนมยัดมโนมยิทธิมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีมีมนโนม ย, ยิทธิมีอิทธิวิธีสามารถทําใจในใจมณสิการสามารถทําใจในใจของเราจะด้วยสมถภาวนาหรือจะด้วยวิปัสนาภาวนาก็ตามเราฝึกมาแล้วสามารถใช้วรยุทธ์นั่นแหละวรยุทธ์ของสมถภาวนาหรืม พีปัชนาภาวนาทำให้กิเลส ท, ทำให้อกุศลเปลี่ยนแปลงไปในวากายวิญกรรมวจีกรรมมโนกรร ม, รร ม, รร ม, รรมในมโนนะ่ะมีอาการในมโนในจิตก็เปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆรลดบาปลดอกุศลลดทุจริตทำให้จเจริญด้วยกุศลเจริญด้วยสิ่งที่เป็นบุญชำระกิเลสหรือว่ามีความคุณงามความดีมีกายกรรมเป็นกุศล มีวจีกรรมเป็นกุศลโดยเฉพาะมีมโนกรรมเป็นกุศลขึ้นมาจเจริญได้จริงๆนั่นคือโยนิโสมนสิการเป็นอาหารอันสำคัญที่ทำให้สติสัพปปชัญญะเจริญสติสัพปปชัญญะมันจเจริญนี่ไม่ได้เป็นหมายความว่าสติสัพปปชัญญ า, ากลางท่านั้น สติสัมปชัญญะที่ตัวนี้มันจเจริญนี่มันเป็นสติสัมปชัญญะในระดับสติสัมโพธชงมีฤทธแรงในการตรสรู้มีองค์ในการตรสรู้สมบูรณ์แล้วก็เป็นสติปัฏฐานด้วยเป็นสติปัฏฐานที่มีสภาพที่เรามีญาณรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมและมีสภาพเหมือนกันกับโพธชงโพธชงเจ็ที่มันจเจริญมีสติสัมปมีสติสัมโพธชงเจริ ญ, ญเพราะมันมีธรรมวิจัย สัมโพธชงเจริญเพราะมันมีวิจาริยะสัมโพธชงเจริญมันพากันเจริญไปจริงๆริงชั้นเดียวกันโพธิปักขีทำสามก็มีสติประธานสี่เจริญมีสมัคประธานสี่เจริญมีอิทธิบาทสเจริญองค์สามเนี่ยองค์สาของสัมโพธชงหรือองค์สามของโพธิปักขีทำสามเนี่ย อพอทิปักเกียร์ทำสามีสติปัฏฐานสีสมปทานสีสนสอิทิบาทสนี่หลักตัวสีเนี่ยมันจเจริญมันมีฉันพระยิ่งทํายิ่งยินดีแม่ยิ่งคุยเราจเจริญเน้อเรจเริญในธรรมะจะทํางานอยู่ทำอาชีพอยู่จะพูดอยู่จะทํา อ, อะไรอยู่ก็แล้วแต่คิดอยู่ก็แล้วแต่มันก็ทําให้เราจเจริญมีฉันพระเห็นยิ่งยินดียิ่งวิริยะกว่าเจริญจิตตะก็เอาใจใส่ไม่รดไม่รา ไม่อ่อนแรงจิตตื่นเบิกบานแข็งแรงชื่นชมเอาใจใส่ยิ่งมีสมาธิมีเอกขาตามีความมีสมาธิละมีความเป็นหนึ่งขององค์จิตของเราอยู่ใส่ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกมีกำลังในจิตจเจริญสมประทานสี่ก็จเจริญสังวรอยู่ได้มีอาการสังวรคือ มันระมัดระวังอย่างละเอียดละออมีสังวรที่เชี่ยวชาญขึ้นมีการสังวรระวังเชี่ยวชาญขึ้นมีประหารประทานมีการฆ่าการทำลายการลดละสิ่งที่ควรฆ่าสิ่งที่ควรทำลายได้ประหารประทานสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรกันแล้วแตแ่ทั้งนอกทั้งในอ่านชัดเจนเออมันลดลงไปมันเสื่อมลงไปมันตาย ตายไปด้วยนะมีสังวรประทานประหารประทานมีภาวนาประทานมีการเกิดผลเกิดผลทางธรรมจริงๆเลยนะนเกิดผลเจริญเลยเจริญทางปรมัตารปรมตถสัจจะหรือปรมตถธรรมเจริญเพราะเราได้ปรับกายวาจาโดยเฉพาะจิตเจตสิ ก, กรูปนิพพานลดละจางคลายถึงขัน้นวิมุตยอย่างนี้เลยมันจางคลายอย่างนี้เป็นวิราคะ อย่างนี้เป็นวิสังโยคอย่างนี้เป็นอปัจยะไม่สะไม่สมไม่เหลือไม่หล่อไว้ละอย่างนี้มากน้อยอย่างนี้สันโดษอภิจฉะสันตุติปวิเวกะโอสงบระ ง, งับดีวิริยารำพะไม่ได้ลดถอยในความปารลความเพียรขยันมันเพียรไอ้ความขยันมันเพียรนี่กับจะต้องเป็นยาดำอยู่กับตัวชีวิตมนุษย์มนุษย์จเจริญสังเกตได้แต่มันมีอิทธิบาทหรือมันมีวิรยิยะสัมโพชฌง คนจเจริญนี่มีอิทธิบาทมีความยินดีเบิกบานร่าเริงจำใสชันชันทะไม่มีหน้าเศร้าหน้ามองไม่มีหน้าบูบูเหืออะไระมีงานหนักงานมากยังไงก็เบิกบานเหือไรใครย่อยใครจะแฉ่งจะดา่าใครจะว่าจะยังไงอยู่ก็เออบิกบานอยู่แต่จะไปท่เลาะหลอ ก, ลอกคนก็กำลังโมโหให้เ็ฉักต่อละต้องรู้มีปัญญาปฏิภาณรู้แล้วจะเบิกบานร่าเริงดีนะ สังเกตได้แต่คนมีอิทธิบาทเนี่ยกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่านั้นอาตมานำมาย้ำยืนยันกับพวกเราอายุหะเป็นความภาคเพียนหรือว่าความมีอายุคือความมีอายุของมนุษย์หรือความยังมีชีวิตของสมณะอะไรเป็นเครื่องแสดง อิทิบาทสอพวกเรานี่ยสำคัญเนาะจำได้แม่นดีนกันนะมาอายุวันณะสุขโพคภละจำได้ไหมอายุมีอะไรเป็นเครื่องแสดงอิธิบาทสิวันณะอะไรเป็นเครื่องแสดงศีลเป็นเครื่องแสดงอายุวันณะสุขอะไรเป็นเครื่องแสดง ฌานเป็นเครื่องแสดงโพะอะไรเป็นเครื่องแสดงผมวิหารสีเป็นเครื่องแสดงพระละอะไรเป็นเครื่องแสดงวีมุิเป็นเครื่องแสดงเออเก่งอ่าเนี่ยถ้าเราเองเราเป็นคนที่ยังไม่ตายอายุหมายควมว่าเป็นคนยังยังไม่ตายสมณะของพระพุทธเจ้านี่อะไรเป็นเครื่องแสดงความมีอายุอิทธิบาทเพราะฉะนั้นตัวอิทธิบาทก็คือตัวมนุษย์ มนุษย์ระดับสมณะสมณะนี่แปลว่าอรหันนะสมณพรามเนี่ยเรียกว่าสมณพรามผู้ใดนี่เรียกว่าสมณพรามผู้นั้นคืออรหรนะันนะนะแต่ก่อนที่เราก็ตกลงกระทังชัยพักได้ <c oughs> ขอแยกมาแล้วเราก็ไม่ได้ให้เราเรียกว่าพระว่าภิกษุให้เราเรียกว่าสมณพราม <c oughs> มหาระเบเต้นเลย โอ้ไม่แล้วสมณพราหมณ์เนี่แปลว่าอารหันนะนะเอาไปเลยเอาใช่ช่วยไม่ได้ล้อตกลงกันแล้วอตกลงกันแล้วเราได้สมณพราหมณ์คุณก็เอาไปที่าหายแล้วก็เสียดายมีแ <c oughs> นะมันมีในหลักธรรมเขาก็พูดตามตำราอะไรในพระตรปิฎกว่าไปหมดเลยสมณพราหมณ์นี่คืออรหันท์ทีเดียวนะ อะไรอยเป็นต้นแต่เราก็จะไปหลงแต่ตัวหนังสือหลงแต่ภาษาสมณพราห ม, มณ์สําหรับพราหมณ์แต่มันไม่ได้ถาอะไรมันก็มีใช่เรื่องหรอกมันต้องปฏิบัติให้ได้นะเพราะเราจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระอาจารย์โยงใหยกันไปแล้วอธิบายได้ชัดนะผู้มีอายุเนี่ยถ้าเข้าใจดีๆนะอ๋อที่ยังดินด็อกแดกยังหายใจอยู่ยังดําเนินไปอยู่เนี่ยอะไรเป็นเครื่องแสดงมีอิธิบาตอิธิบาตมีอะไรบ้างโอ้เป็นผู้เบิกบ้านรา่าเริงอ่าเป็นคน จะเอาใจใส่ไม่เป็นคนท้อถอยไม่เป็นคนเฉยเฉยไม่เป็นคนเป็นคนกรปรี้กระเล่าเบิกบานราเริงยินดียินดีแม้ในงานในการในกิจในอะไรตัวใดแล้วแต่ประสบอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานมีท่าทางมีกริยาเห็นเลยในหน้าในตาในท่าในทีเป็นคนยินดีพีดาไม่จะเป็นคนหาเรื่องไม่จะเป็นคนหลบเลี่ยงไม่จะเป็นคนเศร้าหมองไม่จะเป็นคนท้อถอยอะไรเห็นชัดมีวิริยะ อธิบาตเนี่ยมีชั้นทวิริยะมีจิตใจเป็นคนจิตใจเอาใจใส่ไม่ใช่คนแบบฤาษีนึกถึงลักษณะฤาษีสิฤาษีนี่มันจะเป็นคนยังไงฤาษีที่มันคนหลีกโลกนี้โลกก็เป็นคนไม่เอาทานไม่เอาอะไรรือไม่รู้เรื่องเบ้ออะไรอย่างนี้มันจะตรงกันข้ามกันไปหมดเห็นไหมลักษณะของาศาสนาพระพุทธเจ้า เพราะสมณพราหมอ์บริจาตมันต่างกันไกลกับฤาษีคนละเรื่องนี่เขาอธิบายกันไม่ออกแลก้วเขเข้าใจผิดไปหมดว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นพระอริยะสูงๆแล้วจะเป็นคนเฉยคนเฉยค น, ยมคนไม่เอาทานไม่รู้จักอะไรไม่ใช่กลายเป็นคนที่กระปีกระเป๋าคล่องแคล่วนะมีกายจะกรรมวจีกรรมโนกรรมส่างสันเบิกบานยินดีมี ชันทะวิริยะจิตตะเป็นคนมีลักษณะเอาใจใส่มีคามันกระตือรือร้อนอะไรต่างๆนา น, นานอย่างนี้เป็นต้นมีวิมังสามีคนปฏิภาณดีรู้จักตรึกไตรตรองถวตรามีวิมังสาดีมีนิจัยมีจรรยานสำคัญสามารถนี่แค่อายุสมณะผู้มีอายุก็เข้าใจได้ว่าโอ้คุณนลักษณะแบบนี้เป็นคุณนลักษณะของ ลูกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสมณะผู้ที่เรียกว่าสมณะนี่มีในศาสนาพุทธเท่านั้นสมณะที่หนึ่งคือโสดาสมณะที่สองคือสกิทาสมณะที่สามคืออนาคาสมณะที่สี่คืออรหันต์มีในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นว่างจากมัชองแปดเพราะฉะนั้นเขาก็ว่างจากสมณะทั้งสี่แม้แต่คนเป็นพุทธแต่เขาไม่รู้จักมัชแปดเขาไม่ ปฏิบัติถูกทางมรคแปดเขาก็ว่างจากโซดาสกิทาอาณาคาอารหันต์เห็นไหมต่อให้ภาคเพียงปฏิบัติแต่มิชชัทิถิผิดทางไม่ได้เข้าหลักมรคองแปดมันก็ไม่มีไ ม, มไม่มีทา้าพระเจ้าตรัสไว้แล้วลัทธิใดว่างจากมรคองแปดลัทธินั้นว่างจากสมณะสีเหลาินไยะมันลึกซึ้งละเอียดละออพวกนี้มันเกี่ยวโยงกันไปหมดอาตมาดึงกี่สูตรกี่สูตรมาขยายความกันในฟังนะี่ ขยายความมาถึงว่าสมณะภูมีอายุเครื่องแสดงความมีอายุคือทีบาทนั้นนั้นก็เหมือนกันก็จะยิ่งลึกซึ้งเข้าไปวันนะก็มีศีลศีลแล้วก็ไม่ได้ศึกษาตื้อศีลคือสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนเป็นศีลเป็นปกติเป็นชีวิตชีวาที่มีศีลท่านห้ามมาั้ยอย่างนั้นใหม่อย่างนี้ในอันนั้นอันนี้อะไรก็แล้วแต่ จิตใจก็วางจิตใจก็แข็งแรงจิตใจก็ถึงจุดนะเป็นคนที่ไม่ติดไม่ยึดในอะไรแล้วแต่จะเป็นจุลศีลมชิมศีลมหาศีลนน่นแหละหรือมีศีลข้ออื่นๆที่ไม่ได้กระบุลงไปก็เป็นหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าท่าให้เราอะไรควรละเราก็ละอะไรควรให้เจริญยิ่งเราก็เจริญยิ่งจริงๆแม้เจริญยิ่งแล้วเป็นอภิสมาจารศีลเหล่านั้นเราก็ทําได้อย่างปกติแล้วอาศัยด้วย มีชีวิตยังไม่ตายก็อาศัยศีลนั้นด้วยซ้ำเป็นศีนอภิสมาจารย์นะไม่ใช่ศีลแบบบาปสมาจาร์ศีลที่เป็นอภิสมาจาร์ก็คือเราเป็นปกติในคุณความดีที่เป็นกุศลอันนี้ก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ขนาดนั้นเราเป็นได้อย่างแข็งแรงเราก็ไม่หลงว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งๆที่เป็นของเราเน่นแน่ๆเพราะเราทําเราเป็นไม่มีใครแย่งได้กรรมเป็นของเราบิบากเป็นของเราถ้าเรายังจะไม่ปรินิพานสิ่งเหล่านี้ก็จะต้อง เป็นมรดกของเราเป็นมันเป็นกรรมของเราที่เราทําเราก็รับมรดกกรรมของเราเป็นกรรมทายาทเรารับมรดกกรรมของเรานั่นแน่เพราะว่าในป็นกุศลกรรมของเราก็ได้อาศัยเป็นกรรมปฏิสารโนก็ยังนําพาเราเกิดเป็นกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุเรามีเผ่าพันธุของอริยะเป็นอริยะในระดับประขั้นสูงถึงอรหันต์ก็ตามเป็นอริยะขั้นสักทาคามีคั้นนาคามีขั้นโสดา ก็ตามของจริงของใครของมันอันนั้นเป็นกรรมเป็นวิบากของเราแท้ๆใครจะไปบิดพริวใครจะเปลี่ยนแปลงใครจะไปมีอำนาจเปลี่ยนแปลงใครจะมีอำนาจขี่โกงขโมยลักช่อไม่ได้มันตายตัวดิ้นไม่ออกเลยแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ทำชั่วจะว่าเราไม่เอาอะนี่อากุศลรู้ข่าทําแล้วข่าไม่เอาแบ่งให้แอให้แกคนนั้นคนนี้ แบ่งไม่ได้ทําทีเป็นแบ่งบุญก็แบ่งไม่ได้แต่แบ่งบาปก็แบ่งไม่ได้แบ่งไอ้ที่ว่าแบ่งบุญก็คือแนะนํากันหรือบาปก็เหมือนกันบอกให้กันทําบาปก็เท่านั้นแหละแต่เขาไม่พูดเพราะว่าแบ่งให้กันทําบาบมันดูมันทารุณไปอไม่ใช่แบ่งบอกแนะนําชี้ทางมาอยพุทธเจ้าว่าเราเป็นแต่ผู้ชี้ทางขณะเป็นผู้พุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไปแบ่งบาแบ่งบุญใครได้ แต่แต่ผู้ชี้ทางก็ลาแบ่งบุญส่วนบุญเทา่านั้นก็เป็นบุญในธรรมสวรรหรือว่าธรรมเทศนาใหม่เราฟังเอาธรรมสวรรคก็ต่อจากตรงนั้นน่ะฟังดีๆนะ น, นี่เอาหลายสูตรเข้ามาขยายกันนะก็ต่อจากโยนิโสมนสิ ก, การความไม่มีโยนิโสมนสิ ก, การมีอะไรเป็นอาหารเอ้อเปิดตำราถ้าจำไม่ได้ ไม่ศรัทธาความไม่ศรัทธามีอะไรเป็นอาหารการไม่ได้ฟังธรรมการไม่ได้ฟังธรรมนะต่อกันเลยไอ้แม่ธรรมสวรรคหรือไม่ได้ฟังธรรมไม่มีไม่ได้ฟังสัจธรรมไม่ได้ฟังไม่เกิดธรรมสวรรค์หมไม่เกิดบุญข้อนี้เพราะไม่มีสมณะมาเทศหรือเทศก็หลับฟังหรือเทศก็ไม่รู้เรื่องไม่ข้นคว้าหรือว่าผู้เทศก็เทศออกนอกเรื่องผู้เทศก็ไม่เป็นสัจธรรม ธรรมเทศนาไม่ผู้เทศก็ไม่เป็นธรรมกถึกไปเป็นผู้ติเทศมีสาระอะไรนี่เป็นต้นไม่ได้ฟังสัตยธรรมถ้าไม่ได้ฟังสัตยธรรมเพราะไม่ครบสัตตบุรุษเพราะว่าผู้เทศไม่ใช่สัตบุรุษไม่ครบสัตบุรุษมันก็ไม่ได้ฟังสัตยธรรมเมื่อไม่ฟังสัตยธรรมก็ไม่เกิดไม่เกิดศรัทธาก็ไปเกิดศรัทธาในอะไรก็ไม่รู้ ไปศรัทธ า, อ, าอะไรกันแล้วแต่ไปศรัทธาลัทธิต่างๆอื่นๆนอกพุทธอะไรไปได้เพราะไม่ใช่สัตบุรุษเพราะไม่ใช่สัตยธรรมอันนี้ก็จะต้องมียานปัญญาของตัวเองนี่แหละจะรู้ว่าอะไรเป็นสัตรธรรมหรือจริงๆก็คือจะต้องรู้สัตบุรุษถึงจะพ้นสมามติ่ิไปอีกสูตรนึงแล้วถึงจะพ้นสมามิถิ โอยขออภัยถึงจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเราพบสมณพราหมนาสมกคตาสมาปฏิปปนาเยอิมัญจโรกังปรัญจโรกังสยังพิญญาสัชชิกตวปะปเวเทนตีติเพราะเราพบสมณพราหมู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ดำเนินไปชอบรู้โลกนี้โลกหนา สยังกัิญญาด้วยตนเองของตอนเองรู้ยิ่งด้วยตนเองสามารถเอามาทําให้เราเปิดเผยให้เราประกาศให้เราฟังแจ่มแจ้งสัจจิกตาวะโอ้แจ่มแจ้งชัดเจนรู้นําพาให้เราปฏิบัติตามได้อะไรได้ดีเราเจอสัตตบุรุษอย่างนั้นหรื อ, อยังเราเจอสมณพราหมณ์ผู้เป็นผู้โอ้โหเทศมาอะไรมาบรรยายมามีเทศนาใม่อมีเทศนาใม่เป็นสัจธรรมที่ดี เ พ, พราะถ้าเผราพบสัตบุรุษได้ฟังสัธรรมเราก็เกิดศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่เป็นสัมมารเราจะเชื่อจะถือก็เพราะเราจะเชื่ออะไรก็ได้เชื่อที่เขาเทศเขาแนะนำเขาบอกเขากล่าวอะไรก็ไปอีกอย่างหนึ่งไปนอกลูกนอกทางก็ได้เราก็ต้องมีปัญญาที่จะโยนิโสมมณสิการ ปัญญาของเราก็จะสามารถรู้ได้แยบคายรู้ได้ท่องแท้เท่าที่เราจะมีบังคับก็ไม่ได้เราความเฉลียวฉลาดเราจะท่องแท้เราจะแยบคายเราจะชัดเจนลึกซึ้งความแยบคายหรือความเป็นโยนิโสมคนเป็นโยนิโสนี่เขาจะแยบคายขึ้นก็เพราะว่าเราได้รับธรรมะจิตวิญญาเราลึกซึ้งขึ้นจริงมีความเฉลียวฉลาดจริงรู้ทั้งพยัญชนะรู้ทั้งสารัะอัตถะรู้ทั้งเหตุผล รู้ทั้งเนื้อแทรู้ทั้งอัตถารู้ทั้งพยัญชนะเข้าใจได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจไปหมดแม้กระทั่งว่าศีลขอ้อใดๆเราจะปฏิบัติไปจนกระทั่งเป็นปกติได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติได้จนศีลก็คือตัวเราเราก็คือตัวศีลเป็นตัท ต, ตาเป็นเองและมีศีล น, น, นี้เองเลยไม่ขาสัตว์นี่เป็นอัตโนมัติแม้แต่ไม่รู้สึกตัวก็ พอแตะพอสัมผัสเออรู้แล้วมีสติสัพพัญญาไวัยไม่ฆ่าโดยไม่มีเจตนาจะฆ่าจริงๆไม่มีมีแต่เมตตากรุณาของคนอื่นเราไม่อยากได้จริงๆถึงแม้ของของเราเราก็ไม่ห่วงแหนนี่อทินนาทานอตมาอาธิบายเป็นลึกซึ้งจนกระทั่งแม้แต่ของของเราเราก็ไม่ห่วงแหนสามารถทานได้สามารถสละได้ให้ได้ราคะไม่มีกามไม่มีหรือว่ามีก็ลดะละลงไปเรื่อยๆ ศีลเอามาตรวจเมื่อไรก็เป็นธรรมดานนะอาการไม่มีกามก็เป็นปกติธรรมดาไม่ต้องฟื้นไม่ต้องไปที่ดีอะไรอาการกิเลสไม่เกิดพูดโกโหกโกว่ายพูดเท็จพูดอะไรก็รู้มีปัญญารู้ว่าไม่เอาแล้วเราไม่ทำเป็นอัตโนมัติเป็นเองไม่โกหกเป็นอัตโนมัติทุกวันนี้นี่โกหกเป็นอัตโนมัติโกหกไปแล้วยังไม่รู้ตัวแต่เปไหนๆเลย นอกจากไปด้ไหนแล้วยังไม่แถมบอกว่าไม่ได้โกหกนี่ว่าหน่อยโกหกแท้ๆยังไม่รู้ว่าโกหกอย่างนี้เป็นต้นมันไปกันใหญ่ไม่รู้ความหมายว่าสอเสียดเป็นยังไงโกหกเป็นยังไงหยาบเป็นยังไงเพ้อเจอเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่เป็นต้นมีปัญญาญามีปฏิภาณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำถูกกุศลอะไรเป็นอกุศลก็ไม่ทำเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นตฐตาเป็นเช่นนั้นเอง จึงเรียกว่าปกติโดยธรรมปกติโดยมีเหตุปัจจัยมีความหมายมีสาระธรรนั้นนั้นชัดเราเป็นได้นี่มีศีลเป็นเครื่องแสดงสมณะสมณะพวกเรานี่เป็นสมณะที่หนึ่งที่สองก็ได้เป็นโสดาเป็นสกิทาอะไรนี่ยก็เป็นสมณะที่สามารถปฏิบัติตนมีอายุมีวันนะมีสุ ข, ขะมีฌานฌานไม่ได้หมายความว่าเป็นนั่งหลับตาเข้าแล้วก็ ไม่รู้แล้วตาไม่ได้เห็นหูไม่ได้ยินเสียงแล้วดับทวารทั้งห่าข้างนอกไปอยู่ในโพธิ์ข้างในเท่านั้นมีในพวังก็เลยนับวันนี้แหละเข้าไปอยู่ในพวังได้นี่แหละคือฌานแล้วั้งงั้นคนนอนหลับก็ไม่ได้ยินคนนอนหลับก็ไม่ได้เห็นคนนอนหลับไม่ได้กลิน่นกมตดไปใส่หูดังนี่ยังไม่ได้รู้เรื่องเลยเวลานอนหลับเหม็นหอมไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหม คนที่นอนหลับนี่ถ้าเบอรว่าตัดทวาวรทั้งห้าข้างนอกไม่รู้เรื่องไปรู้แต่ในท่าววานข้างในจะเรียกอย่างนี้ว่าฌานไม่ได้อยู่ในภาวาังก็คืออยู่ในองค์เพราะว่าพบเท่านั้นเองตัดทวาวร ต, ตัดพบนอกตัดทวาวรห้าตามหัวจมกูกิีนกายเลยว่ากายทวาวรเนี่ยมีลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสทางทางกายนี่เรียกว่าสัมผัสทางข้างนอกเลยว่ากามรคุณห้า เราไม่มีความปรารถนาอยากใครในข้างตะวันทั้งงาดิแล้วตอนนี้นอนหลับมีแต่ทวานทางใจจะไประปรารถนาอะไรอยู่อยากอะไรอยู่อะไรจะเป็นไปที่ในจิตเท่านั้นและจะเรียกว่าอยู่ในพบตัดตวานห้านอกแล้วอยู่ในพบนั้นเป็นฌานไม่พอเมันนั่นไม่ได้ความหมายต่อให้มีสติสัพพัญญะอยู่ในตวานทางใจข้างในไม่มีทวานข้างนอกทั้งหาแล้วใจก็ตั้งใจคิดนึกงง่านี้แต่ถ้ามีกามคิดนึกเป็นกาม คิดนึกเป็นพยาบาทคิดนึกเป็นนิวร์ห<ม>ก็ยังไม่ใช่ฌานฌานคือเพ่งรู้แล้วเผาเผาอะไรเผานิวรณ์เ<ม>พระเาะฉะนั้นจะเป็นสุขเพราะว่าจิตใจไม่มีนิวร์ทีนี้กลับกันแม้จะไม่อยู่ในภพไม้จะไม่อยู่ในผวังแม้จะไม่อยู่ในข้างจิตใจเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเป็ดเปิดกายเนี่ยรู้ตากระทบรู้ก็เห็นรูป เห็นรูปแต่ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทิน้ม่ท่าไม่มีอุตจกักขุกขิ จ, จไม่มีวิจิกิจฉากรู้ชัดเจนเลยว่าเอยเราเห็นอะไรก็แล้วแต่ทางตาก็เปิดยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่มีถวานทข้างนอกก็ตื่นใจก็ตื่นมีสติสัพชัญญาอ่านรู้เลยว่าใจเราเนี่ยแม้กระทบรูปย่อย้วยวนให้เกิดกามเราก็ไม่เกิดให้เกิดพยาบาทเราก็ไม่เกิดให้เกิดชังก็ไม่ชังให้เกิดรักไม่รัก จิตอย่างนี้ตื่นอยู่นี่แหละเป็นฌานลืมตาพปร่งๆไม่ได้อยู่ในผวังเท่านั้นหรอกเพราะฉะนั้นคําว่าฌานไม่ได้หมายความเอาตรงที่ว่าเขาไปในผวังเดี๋ยวนี้อธิบายกันผิดผิดเยอะไหมเคยได้ยินในฟังไหมเนี่ยแล้วเขาฌานมั้งนะเขาว่าพอนั่งหลีซึมแล้วเฮ้เขาฌานมันฌานอะไรฌานไม่ได้หมายความตื่นๆแค่นั้นฌานต้องหมายลึกไปถึงขนาดว่าในขณะใดที่เราไม่มีนิวรณ์ห เผ่านิวรณ์หได้จะด้วยสมถะก็ตามจะด้วยพิปัสชนาก็ตามทำให้ไม่มีนิวรณ์ห้าในจิตใจขณะใดไ ด, ได้เรียกว่าฌานขณะนั้นเป็นคณิกะคณิกะสมาธิเป็นสมาธิในระดับฌานสมาธิก็หมายความว่ารวมจิตให้เป็นหนึ่งได้พอ ร, รวมจิตให้เป็นหนึ่งได้แต่ยังไม่ไม่หมดนิวรณ์หก็ไม่เรียกฌานเรียกแค่สมาธิ มันคนกำลังมีสมาธิกําลังจะฆ่าคนมัมีความเป็นหนึ่งนะจิตแน่วแน่เลยเนี่ยนักยิงปืนระดับชาติกําลังเพ่งเป่ามีสติอย่างดีเลยนะมั่นด้วยปิ้งหรือเอาเราไม่เพ่งเป่าเราเพ่งหัวใจไอ้ศัตรูเลยแหละกําลังเป็นทหารเหมือนกันเถอะมาเพ่งเป่าจะยิงศัตรูมันต้องมีสติไม่มีสติมันทำได้ไงมันระลึกรู้ถั่วพร้อมเสร็จแล้วก็ต้องมีเป่าหมาย ไอ้แบบนี้มันฆ่าคนอยู่หมันพยาบาทอยูอ่มีสติแหมเพง่งไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงแต่หน้าเธออ่ากามเขาครอบงําจะเป็นจะตายไอ้แบบนี้มีมีสมาธิมีสมาธิถึงขั้นนี่มองหน้าเธ อ, อคนเดียวใครเรียกก็ไม่ได้ยินเลยกามรุมเราราคะขึ้นเต็มรูปเลยอยู่กับหน้าเธอมีเอกคตาอย่างเจมเต็มเหนียวมีเอกคตาเป็นหนึ่งสมาธิเป็นหนึ่งเลยนะ สมาธิเป็นหนึ่งแนวแน่เลยนะแต่ไม่ได้หมดกามไม่ได้หมดพยาบาทอะไรไม่ได้หมดฟุง้งซ่านเอาละฟุ้งซ่านอาจจะไม่มีในขณะใดนี่นะเป็นสมาธิในทวารห้าเนี่ยเป็นสมาธิในทวารห้าเนี่ยทีนมิทะมันจะไม่มีฟุ้งซ่านมันก็จะน้อยแต่กามกับพยาบาทจเจริญได้ในลืมตานี่นยะ แต่ท่านนายหลับตานี่นะท่านนายหลับตานี่นิวรณ์หเนี่ยหลับตาเข้าไปจนกระทั่งเป็นสมาธิแล้วมันก็จะดิ่งเข้าไปสู่จิตเป็นผวังตาหูจมูกลิ้นกายปิดเพราะฉะนั้นกามกับพยาบาทที่จะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายจะน้อยแต่จะไปจมทีนมิถะกับฟุง้งซ่านตัวฟุ้งซ่านนี่เราจะกลายเป็นพยาบาทหรือกามได้ ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยจะกลายเป็นกามหรือพยาบาทได้ทีนัมมิทะก็จมเลยเพราะงั้นถ้านั่งหลับตาสมาธิแล้วมันก็จะกลายไปเป็นระวังทีนมิทะกับอุทจักขุกุจจะในอุทจักขุกุจจะจะฟุ้ง ป, ปรุงไปเป็นกามหรือพยาบาทอีกทีนี่สอนถ้านั่งหลับตาเนี่ยเป็นไปถ้าบอว่าไม่มีสติแข็งแรงไม่มีสัมปชัญญะแข็งแรงไม่ได้ฝึกปรือแข็งแรงกับจมไปได้ นี่ขยายความเรื่องฌานเรื่องความเป็นสุขเพราะฉะนั้นอายุวันณนะสุ ข, ขะสุขเพราะมีฌานสรุปแล้วฌานคือนี่ไม่มีนิวรนาเรียกว่าฌานจะเรียกว่าฌานได้เต็มที่ก็เรียกว่าขณะนั้นไม่มีนิวรนาจะขณะเดียวหรืออุปจาระจะเก่งเข้าไปกว่าคณิกสมาธิก็ตามถ้าเป็นฌานได้ก็เพราะไม่มีนิวรนเป็นเครื่องเป็นเครื่องสแสดงหรือว่า เป็นสุขอันวูปสมโอเป็นสุขชนิดที่พุทธเจ้าสอนสุขเพราะว่ามีกามเลยเสพสมกามเป็นโลกียรตเป็นโลกียสุขออย่างนั้นก็ไม่เรียกสุขพุทธเจ้าทำไมเรียกสุขพราะฉะนั้นพุทจะมีอายุวนาสุขะต้องแบ่งแยกสุขให้ออกสุขอย่างเป็นฌานไม่ใช่สุขสุขอย่างเป็นฌานคืออะไรฌานคือไม่มีนิวรน5ถ้าสุขอย่างไม่ใช่ฌานสุขอย่างบำเรอกามบำเรอพยาบาทสมใจบำเรอทีนามิธาได้นอนอร่อยมันนี่สุข แสบอิริสุขอย่างนั้นมันไม่ใช่สุขที่พุทธเจ้าถนอมหมายเพราะฉะนั้นคนเรามีอายุวันนัสุขะพระแน่ๆ อ, อวยพรกันนะเขาเห็มีอายุวันณะสุขพะพละสุขก็ บ, บอกเออสุขสมใจไหนมีลาบห ล, ล้มีกอม่อยไล้หนอ่งมีลาบมากๆใดเป็นไงเป็นโตได้รวยลาบรวยยศไม่ได้หมายถึงอวยพรในอายุวันณะสุขะ ภละพวกนี้เลยโลเขาคุยกัอพรกันใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ลึกซึ้งอย่างที่เราพูดกันเนี่ยเรามีประเด็นมีประเด็นที่หมายที่ชัดเจนเป็นโลกีอย่างไรเป็นโล ก, กุตระอย่างไรโล ก, กุตระเป็นอย่างไรชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นสุขนี่จึงหมายเอาวูปุสโมโอสุขสุขใดไม่มีเท่าเทียมความสงบนี่ก็หมายความสงบอันนี้ม่จะสุขใดไม่มี เท่ามีคล i ม a อซ์ในเกมกามหรือไปในเกมพยาบาทในเกมอะไรก็แล้วแต่เธอก็เป็นสุขทางคลิมแอซ์ที่โลกเขารู้กันทุกคนคล i ม a อซ์สมเสพบสมภาษาอังกฤษหน่อยก็ใช้คล i ม a อซ์มาก็มาสมใจในตัวที่คลิมแอคซ์เนี่ยมันเป็นความสำเร็จในกามสำเร็จในพยาบาทได้ฆ่าเขาสมใจได้ทำร้ายก็สมใจเนี่ยยิ่งเป็นเจ้าพอ ให้ไอ้ลูกน้องไปจัดการซะกับศัตรูพอจัดการกับศัตรูได้มาปลายงานว้าชื่นใจสุขสปาร์ตชื่นกชื่นใจเป็นความสุขจริงๆสุขเพไอ้สมใจในการเสบสมทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแตะต้องอะไรก็แล้วแต่เสพสมแม่แต่สมสูกร็คลายแม็กซ์ก็คือสัาร์ตเศษสีเท่านั้นแหละไอ้สมสุขคลายแม็กซ์สมสู่เนี้ยนั่นแหละเป็นความสําเร็จสําเร็จในความอยากความใคร่ ความสมใจไอ้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ตัวนี้มาสุขตัวนี้คือฌานสุขตัวนี้คือความไม่มีนิวรณ์หเห็นไหมมันต่างกันแล้วโพคะทีนี้อายุวันนสุ ข, ขโะโภคะภะละมีหตัวนี่ที่เราเรียนกันนี่พุทธจาตรัสไปนี่ส่วนมากก็มีแต่อายุวรนนสุ ข, ขะภะละไม่มีโภคะไอ้โพคะนี่สําคัญนะเราไม่ค่อยจะเรียนกัน ส่วนมากกโรโพคะอุดมเด็โพคะอะไรเป็นเครื่องแสดงพระเจ้าสอนพร ม, มิหารสีเจริญในพรมิหารสีเป็นโภคะไม่ใช่ว่าแม่ ร, ร่รารวยในโพคะโอ๊ยลาบมาก่อยมาได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้โลกียะมาเนี่ยแหละสมใจในโภคะโดยเฉพาะโพค่ทสับหรือบอริโภคอุ ป, ปโภคโอ้ยไปใหญ่เลย ในบริโภคเสรสมในทางปากในทางหูทางลิ้นทางกายทางใจอะไรเนี่ยบริโภคผู้สุขบริโภคนีอ้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มันละเอียดไปถึงว่าเจริญในพวกทรัพย์ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาจนกระทั่งเราสามารถที่จะเกือ้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเพื่อผู้อื่นเสียสละตั้งแต่วัตถุทรัพย์ อ้าวมันกลางกลงเงินข้ามแล้วผู้นี้จะอุ ด, ดมสมบูรณ์ด้วยโภคะกลับกลายเป็นโภคะหรือว่าทรัพย์สิงคารน้อยลงไม่บริโภคทำแบบโลกโลกไม่เป็นนักบริโภคนิยมเครื่องใช้ไม้สอยกอ็เราก็ไม่หลงหลายติดยึดเสียสละได้มีน้อยสะสดคล้องกับอภิชาสันตุถิมากน้อยสันโดษได้สบายเสียสละสั่งสันเกื้อกูล พระฉะนัเจริญด้วยพวกทระซับเจริญด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นสมณพราหมณ์เป็นพระพรหมเป็นลูกพระพรหมที่แท้เป็นสมณพราหมณ์เป็นลูกพระพรหมที่แท้ที่เต็มไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะอริยทรัพย์เหล่านี้ซ่อนเชิงกัโลกแต่จริงๆริงเราซ่อนอีกเราก็จะมีโภกกรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะบริโภคหรือสิ่งที่จะอุปโภคสิ่งจะเป็นเครื่องใช้เครื่องกินอะไรก็แล้วแต่จะมีนะ มีไม่จะเฉพาะเราสร้างตอนนั้นคนอื่นถ้าเขารับนับถือศรัทธาเลื่อมใสเขาจะไม่หวงแหนเลยเขาอยากให้เรากินดีอยู่ดีเขาอยากให้มีเครื่องบริโภคอุปโภคบริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆด้วยโดยไม่หลอกไม่หลอกแต่เขาศรัทธาเลื่อมใสเพราะเราเป็นสัตบุรุษเพราะเราเป็นอริยะเพราะเราเป็นสมณพราหมณ์ที่ดีเป็นโซดาสกิทาอนาคาเป็นอรหรัน คนจะมีปัญญารู้ว่าคนนี้ควรจะเลี้ยงไว้ควรจะให้ท่านจะอยูด่ดีกินดีให้ท่านมีอายุให้มีวันนะ่าให้มีสุขะให้มีพรรจะแม้จะความหมาย ใ, ในโลกให้มีท่านมีโภคะท่านบริหารโภคะเป็นบริหารโภคทรัพย์เป็ น, ปปนไม่ว่าจะเป็นวัตถุทรัพย์หรือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคท่านบริหารเป็นและท่านไม่ติดไม่ยึดท่านม่เอาไปทําร้ายตัวเองไม่เอาไปทาําทร้ายผู้อื่น นี่เราจะเข้าใจโอ้จะเจริญด้วยพวกทรัพย์อย่างนี้จะมีพะละกําลังเพราะมีวิมุตต์พิสูจน์วิมุตต์ว่าวิมุตต์นี่มีพะละกําลังพะละกําลังทางกายพะละกําลังโดยเฉพาะทางใจคนมีวิมุตต์ในต้องเชื่อแน่นอนเลยว่ามีพะละทางใจเพราะไม่มีกิเลสมาต้านมาขัดอะไรอีกแล้วมีแต่ความโล่งโปร่งว่างไม่มีความเศร้าวความมองไม่มีความถดถอยอะไรแล้วเป็นความแท้แท้ไม่เท้ะถ้าท้ออยู่ยังไม่แท้ ชัดเจนทุกอย่างนะมีวิมุตย์อย่งนี้เป็นต้นพเมมพราะนั้นสมณพราหมณ์ต่างๆที่พวกเราจะมีเป็นสัตตมุรุที่จะมาแสดงสัทธรรมจนเราเกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาเราก็จะได้เกิดปัญญายิ่งได้ฟังสัทธรรมยิ่งได้ฟังลึกซึ่งยิ่งเกิดศรัทธายิ่งเกิดปัญญายิ่งเกิดอินทรีห้าพละห้าต่อจากองค์สามของโพธิปักเียธรรม สติประธานสี่สมประธานสีอิทธิบาทสีก็สั่งสมเป็นอินทรีห้าพละหลงไปเรื่อยๆเกิดสัตทินสีวิริยินรีสตินสี ส, น ส, สมาทินรีปัญญินรีหรือสัทธาพล ะ, ระวิ ร, ย ร, ะระิยะพละสติพล ะ, ระสมาธิพล ะ, ระปัญญาพละเกิดเพราะโพชชงเจริญเพราะมักแปเจริญโพธิปักเธธรรกียร์ทก็เจดหลักจะเดินหมดหมด โหดชงจเจริญมักแปดเจริญเจริญหมดครบครันนะเพราะงั้นเมื่อเรามีโยนิโสมนสิการเพราะได้ฟังสัจธรรมเพราะเกิดศรัทธาเพราะโยนิโสมนสิการเป็นจริงๆเมื่อเป็นสติปัฏฐานไอ้สติสัมปชัญญะก็ยิ่งจเจริญเมื่อสติสัมปชัญญะแข็งแรงความระมัดระวังความสมรวมอินทรีย์หแข็งแรงไหมความ สัมรว์อินซีหกก็ยิ่งจะเจริญแข็งแรงมีประสิทธิภาพเชียวชาญเพราะฉะนั้นกายวาจาใจเราด้วยกายวาจากรรมสามก็ถูก ป, ประสิทธิภาพของสติสัมปชัญญะที่แข็งแรงที่เจริญที่เจริญสติสัมปชัญญะเจริญตัวนี้มันจึงไม่ใช่ธรรมดามันจึงมาช่วยการสํารวมอินรีหก เมื่อสํารวมอินรียหกก็ไปสํารวมกายวาจาได้จะ ก, กระทบตาหูจมูกลิ้นกายยังไงเราจะปรับกายกากรรมให้มันพอเหมาะยังไงปรับประจีกรรมให้พอเหมาะยังไงมันปรับไปเลยเมื่อปรับกันมาเรื่อยๆๆอย่างนี้เพราะมันจเจริญเพราะมันมีประสิทธิภาพสติสัมปะชัญญะเจริญก็ทําให้เกิดอินทรีย์สํารวมอินทรีย์6เจริญอินทรียหกเจริญก็ทําให้เกิดกายกรรมปจีกรรมมโนกรรมสุจริต ดีขึ้นจเจริญขึ้นเมื่อมนุกกายกรรมวิจิกรรมนโนกรรมสุดจริตเจริญขึ้นก็ทําให้ลดนิวรธาลงไปลดนิวรธาลงไปหรือเกิดโพชชงเจตเกิดมรแปดเข้ามาแทนที่นิวรธาเพราะในปฏิภาคปฏิโลมปฏิโลมย้อนกลับก็จะเกิดโพดชงเจตมรแปดขึ้นมาแทนที่นิวรา น, นิวรธาเป็นอาหารของอวิชชามร แปพจนชงเจ็ดมังแดก็เป็นตัวทำให้วิชาเจริญลดละอวิชาดับอวิชาฆ่าอาวิชาไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเราไม่ใช่ชาวคใจแต่ภาษาที่อาตมาพูดเนี่นะไม่เข้าใจแต่ตัวพยัญชนะแต่พูดไปแล้วในพวกเราเราลึกถึงสภาวะได้เราลึกถึงสภาวะออกตรวจสอบดู ว, ว่าเออเราทานี้มันเขารองเขารอยไหมเป็นยังไง มันชัดเจนไหมเนี yeah. มันชัดเจนมันมีสภาวะรองรับเราทําให้พวกนี้ให้เจริญจริงๆเพราะเราจะดับอวิชชาเราจะหมดอวิชชาเกิดวิชาก้าวก็เพราะเราฝึกฝนให้เกิดจริงๆวิชาก้าวจะเกิดวิชาก้าวอาตมานับฌานด้วยเพราะเรารู้แล้วว่าฌานคืออะไรทุกวันนี้นี่เราทําฌานทั้งนั้นแหละเราปฏิบัติทําให้เกิดสมาธิเกิดฌานทั้งนั้นแหละ อย่าสัดสายมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิดีเพรา ะ, ะนั้นเมื่อสติก็มีอินทรีย์สมาธิก็มีอินทรีย์มีกำลังมีสภาพรู้ว่าตอนนี้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในระดับสัมโพธชงไหมมีสมาธิอยู่ในระดับสัมโพธชงไหมเพราะฉะนั้นสัมโพธชงเจ็ดสติสัมโพธชงทำให้จยสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชง อาราเเป็นตัวภาคปฏิบัติเกิดปิติปัสส ธ, ธิสมาธิปิติได้ดีแล้วก็อระเราเรียนรู้และปิติเราต้องลดไปก็ยิ่งเป็นฌานนั่นเป็นความลึกซึ้งของฌานต่อไปอีกจะเป็นฌาน2อฌานสามฌานสก็เพราะว่าเราลดปิติปิติสมบูชงเพราะเราได้ดีได้ดีแล้วเราก็มีอุปกิเลณฟูใจเรียกว่าปิติ ดีอกดีใจของเราดีอกดีใจเราจะปล่อยให้มันเป็นอุปกิเลตเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าเราเองไม่งั้นมันแหมไม่ไหวไปมีปีติเลยเนี่ยมันจืดมันไม่มีกําลังก็ใช้ไปพรางแต่เราต้องรู้เมื่อเรารู้แล้วนี่มันจะรู้เองว่าเราค่อยๆลดไปเองอาตมาบอกแล้วแม้เราไม่เป็นลดปีตินานๆไปมันก็จืดจางเองมันลดเองแล้วไม่ต้องไปห่วงมันหรอกปีติเนี่ยมันไม่มีปิติตลอดการหรอกแต่มันเป็นไปมากๆได้นานๆได้เหมือนกันนะเป็นปีติมากขึ้นมากขึ้นจนะทั่งกายเป็น ปะหลงประหลาดกลายเป็นอุเพงคาปิติกลายเป็นปิติเอโ น, อ น, อนเนนีอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระตุอ ก, อ, ก อ, อะไรนี่หน่อยก็หยุดหยุดอะไรนิดหน่อยก็น้ําตาไหลอะไรนนิดหน่อยดีไดีก็จะสะดุ้งเต้นเหอกนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปได้นนสารพัดเราควรมาระวังอยญ่ยให้มันกลายเป็นปิติที่มันเกินไปจะอยู่ในใจเราเป็นภรณนาปิติมาแผลซ่านรักษาอยู่กันได้ แต่ก็ไม่ใช่ให้แผ่ซ่านอยู่กระทั่งนิรันดย์จนตายลดมันไปกันเพราะมันเป็นอุปกิเลตนี่เป็นนัยะละเอียดเ <Yeah. S 1> พราะเราลดปิติได้ก็จะสงบรงเป็นปัสสัทธิปัสสัทติคือสงบสงบแม้กระทั่งอุปกเกเรตไม่ต้องพูดเลยแค่กิเลตในระดับอุปกิเลตเราก็รู้ทันอาการของจิตแล้วก็ลดมันได้มันก็เป็นชาญสูงขึ้นสู่ความสงบที่เป็นวุปสมวสุขแม้สุขเราก็ไม่ลหลงไหลว่าสุขนั้นเป็นเราเป็นวิปัสณูปกเกเรตหรือเปลื เป็นอุปกิเลสในขณะวิปัสนาเหมือนกันเพราะเราใช้วิปัสนาอยู่เราก็รู้ว่าเออขณะที่เราไม่มีพิธิไม่มไม่ติดในปัสจัติติตัวความสงบนี้แล้วแล้วก็ไม่ลงเลย ว, ว่าเออสงบนี้เป็นสุขมันสุขอย่างนี้เราก็เลยอยากจะได้แต่สุขอย่างนี้ก็ไม่ติดแม้ไม่ได้สุขอย่างนี้จะมีการนึกคิดจะมีการลำบากบ้างตั้งตนยีดบนความลำบากแต่เราก่อกุศลเราก็ยังกุศลไ้ถึงพร้อมไปไม่ติดในพบสุข จะต้องอยู่สงบอย่างนี้จะต้องวางอย่างนี้แม้ไม่ว่างจะปรุงจะแต่งขึ้นบ้างบางจะมีอาการนั่นตนตรงนี้วันอย่างนี้บางก็ถัดรู้หัดรับหัดมีหัดเป็นเป็นโดยที่เราไม่ได้ติดยึดอะไรรอ้อนแล้วเราก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรมันก็เป็นทุกโดยธรรมแต่เราก็ไม่ตาละมันก็ทุกบ้างเป็นทุกโดยสัจจะที่เราจะต้องทํางานเป็นอาหารประเบียดติดทุกเป็นทุกข์ที่เราจะต้องอาศัยอาศัยทําไมอาศัยสร้างเพื่อประโยชน์ผู้อืน่น ไม่ใชอาศัยพื่อที่เราจะทําให้เราเกิดบาดเจ็บแก่ตัวเองนะแต่อาศัยสร้างกุศลเราก็ต้องรู้สุดท้ายแม่อุเบกขาวางเฉยได้นี่จิตลึกซึ้งเป็นอุเบกขาสัมโพธชงตัวสุดท้ายเราก็รู้ว่าเออเราทําจิตอุเบกขาได้นะแม้สุดท้ายอุเบกขาก็พียงแค่อาศัย ไม่ใช่เราใช่ของเราเพราะฉะนั้นบารมีสิบทัศเนี่ยจะไปจบอยู่ที่เมตตากับอุเบกขาพราะนั้นพระอาหารหันต์เจ้าก็อยู่กับอุเมตากับอุเบกขาเมตตาก็เกื้อกูลมนุษย์โลก อ, อุเบกขาก็เป็นเครื่องอาศัยของตัวเองตัวเองอาศัยอุเบกขาเป็นเจตสิกที่อาศัยส่วนเมตตาก็เป็นสภาพอาการอย่างเมตตาเห็นใครก็มีเมตตากรุณามุติตา เป็นสมณพราหมณ์หรือเป็นลูกของพระพรหมมีโภกคะโอ้โหเมตตามากแต่ระวังเมตตาไม่มีประมาณนะใครๆก็รับมาเละเลยในยระวังเน้อใครๆก็จะช่วยไปหมดไม่ได้ต้องเลือกเฟนนะเราต้องรู้จักเลือกเฟนอย่าไปที่ได้รับใครดะมาหมดใครก็อยากได้มดมันต้องการแรงงานเหมือนเงินนะเลยไปเอาลูกผีลูกมารอะไรมาก็ใหม่รู้มารแปลงตัวมาด้วยนะ เคยรู้จักนิยายเรื่องรามเกียร์ไหมนะ่ะนนเราเคยได้ฟังนิยายในรามเกียร์มานิยายในรามเกียร์เคยเขาบอกว่ามีเปาแ่ลงตัวกันนะ่ะแปลงตัวกันเป็นลวงศึกลวงอเอาข่าศึกนะ ไม่ฝั่งทศ ก, กัณฐ์มีส่งใครแปลงตัวมาทางกองทัพพระรามทางพระรามก็มีใครแปลงตัวไปลวงเอาข่าศึกทั้งกองทัพทศ ก, กัณฐ์บ้างอะไรงี่หนึ่งต น, นคล้ายๆกันเพราะฉะผู้ใดมากันเนี่ยระวังบางทีก็แปลงตัวมาระวังไอ้แปลงตัวมาจะมาลวงเอาอะไรจริงๆมัไม่หว่าถ้าเขาดีถ้าเขาไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นมารมาเขาก็ไม่รู้ตัวไอ้มารเนี่ยไม่รู้ตัวเราตัวเองเลวนะ เสรแล้วตัวเองก็จะมาจริงใจวังนะจริงใจไอ้เพื่อนๆน่ะยังมาอยู่ด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วเราก็เห็นเขาเสซัดซัดเซพในจร อ, อะไรมาช่วยด้วยเลี้ยงลูกผีลูกมารระวังมันดูมันใจดําเราไม่รับคนนี้อย่าเลยเข้ามาอยู่ก็รอได้จําบากรุ่งยากนี่น้อมัตระวังหน่อยอย่ารับอะไรก็รับเละเลยรับไม่มีประมาณนี่ไม่ได้มันเราอยู่ในฐานะที่เราจะต้องรู้จัก รู้จักคณะของเรารู้จักหมู่กลุ่มว่าเราจะมีมาตรฐานว่นาขนาดใดเรารับขนาดใดเราไม่รับเรามีกฎมีระเบียบที่จะเรารับนั่นก็คือหลักการเพื่อคัดเลือกคัดเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในหมู่ใ น, มในกลุ่มมาทำงานร่วมกันมีสิมีสีนซามั ญ, ญตาก็คือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่จะอยู่ด้วยกันได้สีนซามั ญ, ญตาัญตาถ้กกาไม่มีศีอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนี้ระเบียบอย่างนี้นะไม่ได้ขนาด เราไม่ให้อยู่นะเนี่ยทาท ม, มันไม่ได้สัดส่วนพวกนี้แล้วนี่มันจะเละเพราะเราจะต้องตรวจตราไตตรองตรวจสอบกันไม่ใช่ว่าเราชังไม่ใช่ว่าเราปัจจเร า, า, าใจใจดาอะไรดอกแต่ว่าเราต้องรู้ฐานะของเรารู้ตัวของเราว่าเรามีกำลังงานเท่านี้เรามีความสามารถเท่านี้จะเลี้ยงดูกันจะช่วยเหลือกันจะอยู่ด้วยกัน มันก็จะต้องมีสัดส่วนอะไรอะไรที่พอเหมาะพอสมกันนะแล้วเราก็ถึงจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คุณค่านะเป็นเนื้อที่มันจะไปด้วยกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังทนะ้านที่อาตมาเอาองค์ธรรมต่างๆมาสาธยายสู่ฟังไล่มาตั้งแต่สติปัฏฐาน4ากายเวทนาจิตรร ม, มาแล้วก็ขยายเอาสูตรอื่นๆใดๆ เขามาขยายความไม่ฟังเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเหมือนรอยมาลายจริงๆไม่อาจจะโตมั่งขอดมั่งยาวมั่งแต่ได้สับส่วนส่งเสริมให้ดูดีดูงามแล้วก็ส่งเสริมกุศลทั้งสิน้นนะเพราะงะนั้นไล่มาจา ก, ก็ตั้งถึงพระมีวิมุตเป็นเครื่องแสดงโภคะมีพรหมวิหารเสเป็นเครื่องแสดงเป็น ความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์หรือแม้แต่เป็นสักดิ์ก็มีชานเนเครื่องแส ด, แดงมีวันนะวันนะนี่หมายความว่ามีชั้นเลยนะแปลโดยโลกโลกนี่ว่าชั้นวันณะนี่คือชั้นเป็นคนมีศักดิ์สูงมีศักดิ์สูสงวันนะนี่คือมีศักดิ์สูงเรามีศักดิ์สูงเพราะเรามีศีลไม่ใช่มีศักดิ์สูงเพราะว่าเราได้ยศได้ตำแหน่งแบบโลกโลก พระพุทธได้จะมียศมีตําแหน่งทางโลกสูงขนาดไหนแต่ไม่มีศีลไม่ใช่คนมีวันนะที่พระพุทธเจ้าท่ายกย่องต้คนมีศีลหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านถือว่ามีวันนะถ้ามีศีลโซดาเสมอโสดามีศีลสกิทาเสมอสกิทามีศีลที่ลึกซึ้งมีศีลที่เป็นปกติปฏิบัติได้ศีลขั้นสูงศีลเป็นอัธิศีลระดับไหนเราก็ปฏิบัติได้ขึ้นไประดับไหนเราจะวัดกันได้ด้วยศีล โซดาสกิทานาคาอรหันต์วัดได้แต่สีสูงขึ้นไปก็ปฏิบัติได้เป็นปกติละเอียดละอ่ลึกซึ้งปอฏิศีนที่ดีเป็นอริยะกันตศีลเป็นปริสุทธิศีนเป็นอเสขศีนสีนเป็นอเสขศีลอันไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วมันเป็นเองแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วเป็นตัตาแล้วสีข้างในก็แล้วแต่ยาวกลางละเอียดเราก็เอามาปฏิบัติโอ้ได้หมดนั่นล่ะเป็นเครื่องชี้เครื่องวัดว่าเราเป็นสมณะ มีวันนะมีศักสูงสักขันอรหันต์สักขันไหนแล้วแต่ขันโพธิสัตว์นั่นก็ได้ถ้าคุณสามารถแต่เอาล้วรจะเพิ่งเรียนเลยขนาดเลยก็เอาแค่สักเทอรหันต์นี่ก็เทโสดาสกิทาอนาคามีขนาดไหนเรียนรู้สังโยชิสิบรู้สังโยชนส 3' มรู้สังโยชน์ 5' อะไรก็ว่าไปงั้นเราก็อ่านออก ในสภาวะไม่ใช่รู้แต่ภาษารู้แต่พยัญชนะรู้แต่บัญญัติเรารู้โดยสภาวะด้วยอย่างนี้หมายถึงอันนี้อาการอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติไปแล้วพิสูจน์ชีวิตที่เราเป็นอยู่มันจะทวนกระแสที่ชัดขึ้นทุกวันนี้เราก็ายังชั่วที่เขาก็พอเข้าใจเพราะเรามาถึงขั้นสัมมาอาชีพมีกายแกกรรมวิจิกรรมโนก ร, รมมีกรรมันตะมีการกระทําการงานมีอาชีพ ถ้าเพราะว่าเราไม่มีการงานไม่มีอาชีพเนี่ยคนก็เข้าใจอยู่นะว่าสงบโพลุสีทั้งหลายแหละเนี่สงบไม่มีการงาน ม, มีอาชีพเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนี่โอ้โหเจริญเป็นคนสงบเป็นคนไม่ติดโลกเป็นคนเป็นอริยมัยเอาแล้วนี่คนไม่ต้องการลาบยศสันเสริญโอเคสุขทําท่าที่ไม่อยากได้อยากดีอะไรกับใครเลยโอ้เขาก็เข้าใจนะนี่สงบเขาต้องเขาเข้าใจอย่างนั้นอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกัน แต่ความสงบของผู้เจ้าผู้เจ้าท่านถึงได้ยืนยันว่าไม่ใช่จะรู้ได้ไง่ายๆนะกับความสงบระงับก็ตามความสงบของผู้เจ้ามันสวนกระแสมันมีปฏินิสสคะมีสั จ, จย้อนสภาพสงบอะไรวะอยังกระลิงทํางานอยู่ยังกะลิงคลักคลักสงบอะไรพูดใจใจใจใจใจพูดแน่พูดโตพูดตอบอย่างฉะนชาน เร็วไวแสดงถึงความเฉลียวฉลาดจนกระทั่งปรับปะวาทะสามารถคมขีคมศัตรูที่สนทนาภาทีอะไรก็ได้สามารถปรับปะวาทะสามารถที่จะยันคำพูดของคู่ต่อสู้จังงังได้ประประวาทะ วาทาของคู่ต่อสู้โต้ตอบสู้เราไม่ได้จนคำตอบถึงขนาดนั้นแบบนี้มันเอาชนะค้าคานในว่านะทางออของเขานะพอเ็สู้ไม่ได้แล้วแบบนี้มันโต้เถียงเอาชนะค้าคานไม่ส ง, งบนะแต่เปล่าเลยของพทธเจ้านี่ สงบของท่านนี่คำพีราทุตสาทุรนุโพธาไม่ใช่มันลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ไดไง่ายๆเห็นได้ไง่ายๆนะมันมีสัจจาย้อนสภาพมีปฏินิสคระมันสวนกระแสมันกลับกันเอแลวมันมีจริงตรงไหนยากที่จะรู้ทันเพราะฉะนั้นสงบของพระเจ้าจึงไม่จะสงบอย่างที่เขาคิดเหมือนดูสีดูรูปก็ออกง่าย แต่ว่ากลับกันแล้วนี่เอ๊แล้วมันสงบตรงไหนมันเหมือนไม่สงบทําไมมันโอ้โหจนเรานี่สู้ไม่ได้เลยขยันก็สู้ไม่ได้ไม่มันมีเรียวมีแรงมันมีกําลังมันมีปฏิกิริยาอะไรโอ้สงบอะไรเหมือนลิงจะไม่ใช่ลิงโลซนซนเฉยเฉยนะโอ้โหลิงที่เป็นช้างมีน้ําหนักความสามารถแกรอล่องเหมือนช้างเหมือนมัวมาเหมือนงัวเหมือนควายอ้ขยันหมั่นเพียรมีพะสิทธิภาพแข็งแรง อะไรต่างๆนา น, นานี่พยายามอธิบายภาษาให้ฟังมันกลับกันนะความสงบของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันึไม่ใช่สงบธรรมดาจึงเรียกว่าคำพีราทุสถาทุรนุโพทธาสันตาสงบนสันตะสันติเนี่เมื่อมันสงบไว้ในธรรมดานะสงบอันประณีตสงบปณีตาอัตตกาว จ, จรามันสงบอย่างสุ ข, ขุมประีประสุ ข, ข, ขอย่างซ้อนเชิงสงบประหลาด สงบของพุรธเจ้านี่ไม่ใช่สงบยังบรรลุถึงง่ายๆเนี่ยคนถึงเข้าใจไม่ได้ไง่ายๆหรอกพระธรมาพาพวกคุณมาปฏิบัติประพฤติมีของจริงมีตัวอย่างอะไรขึ้นมาถึงขั้นมีสัมมาอาชีวะถึงขั้นมีกรรมมันตะสอดคล้องแล้วก็จะยืนยันพิสูจน์แล้วเราก็จะเป็นคนเมตตาเกือกกูมีโภคะดำรวยนะแม้เราจะไม่มีมากแต่เรายังให้คนมีมากได้ คนเขาร่ำรวยขี้เหนียวก็ยังมารับแจกจากเราคนที่มีน้อยกว่าแต่เราก็ไม่กลัวจนไม่กลัวจนกล้าจนแม้จะจนกว่าเขาเราก็ไม่เกิดน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เป็นอยู่สุขเบิกบานราเริงสุขภาพแข็งแรงมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์อยู่ทั้งนั้นที่ไม่สะสมก็ไม่เคยล้มละลายไม่สะสมก็ไม่ล้มละลายเพราะเรามีประสิทธิภาพขยันมันเพียน แม้เราจะป่วยเจ็บได้ไข้เพื่อนฟูงก็มีหมูมีพวกมีกาลยานมิโตเพราะมันมีพรหมจรรย์ทั้งหมดทั้งสิ่งองพรหมจรรย์คือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเรามีพรักพร้อมมีญาติเยอะมิตรดีสหายดีก็คือญาติแท้สังคมสิ่งแวดล้อมดีพร้อมมีสปายะสี่สมบูรณ์ไม่จนต่อให้เราเป็นง่อยก็มีคนเลี้ยงดูไม่มีลูกไม่มีหลาน เป็นกําพลยกําพลน์นี่มันมีทั้งพอ่อทั้งแม่มันมีทั้งปูยาตายยายได้กําพล์นี่กัมพ่าเนี่ยมันขาดแม่แต่เหลือพอมีพอ่อขาดพอ่อเหลือมีแม่อีกย่างห น, นี่งมันกาํกพาพ่ากําพ่าพ่อกําพ่าแม่อกําพ่าครูหัก <laughs> <laughs> บอกอย่างนี้กับหัว oh, <laughs> <h ums> มันแทงใจดำเพื่อไหน อ่ากัมพาคู่หักบ่มีคู่หักไหนก็บอต้องเสียดมเสียดายบ่ ม, มีเนี่ล้ามันดีมันลําสมัยอ่าผู้ใดขืนข้านเพชรใดเนี่ยมันทันสมัยกลัวเขาพวกใดอย่างนีสี่โอ้อยหยานตัวเองขึืนข้านท่องข้านเพชรไปงมหาค้านขีก่กระไลหาค้านผู้ผู้ผพังพังในข้านเมื่อคืนเนี่ยกตกจากข้านบาดนี่ยเราหักวัดมุนแอะแหนะ ปุ๋ยป่๋ยเลยเนไะน ไ, ไม่ไพน์เนี่ยเหนียวเด้นี่ข่านใส่ปอหัว <c oughs> จังไม่ป อ, อ <c oughs> ไม่ล่าปอ <c oughs> โอ้ยพ่ อ, อยคื อ, อ็ยังนี น, <c oughs> นั่นแหละเราจะเต่เราจะรู้ว่าเราเองเราปฏิบัติในสอดคล้องกับธรรมะพระพุทธเจ้าหรือไม่ปฏิบัติไปแล้วมีเนื้อหาจนกระทั้งเป็นรูปธรรมนามมาทาสอดคล้องกันหรือไม่แม้จะปฏินิสัทธะ สัจจะย้อนสภาพสวนกระแสปฏิโซตังทวนกระแสอย่างไรเราก็มีสภาพที่ยืนยันชัดเจนสูงสุดคืนสู่สามัญเหมือนคนสามัญแต่ไม่เหมือนคนสามัญตรงไหนคนเขาตู่ได้แต่เราก็เอาละก เ, าเกลงใจเข้าเหมือนกันอย่าให้เขาตู่นักเสียด้วยเสียทำเขาไม่ศรัทธาพระอริยะมันก็ไม่ดีจะต้องไวตัวบ้างให้เขาเข้าใจได้บ้างแต่ก็ไม่แอจนเขาหมัน่นไส้โอ้อยาก ประมาณยากมันก็ต้องทำนี่เป็นต้นเนี่ยสัจจะพวกนี้ลึกซึ้งมากมายมีอะไร อ, อะไรต่างๆนานาที่เราสามารถที่จะเอามาพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ยืนยันพิสูจน์ทุกวันนี้มีเนื้อหาขึ้นมาบ้างแล้วก็สร้างต่อไปนะจะมีคนจริงมีไรจริงอาตมาเชื่อไหมนะพวกเรานี่มีศรัทธากันอย่างดีอยู่ปัญญาก็กค่อยๆลึกซึ้งกันไปเรื่อยๆแม้แต่จะเป็นปัญญาแค่สุตตะสุตตะมันป็น ญ, ญาแก่ฟังลึกซึ้งไปคิด ทบทวนเป็นจินตามายะปัญญาแล้วไปปฏิบัติพิสูจน์เป็นภาวนามยปัญญาให้ได้ปัญญาเนื้อแท้เกิดมาเกิดผลเกิดรู้แจ้งเห็นจริงเองเป็นสยังอภิญญาสยังอภิญญาก็คือรู้มีอภิญญามีตัวทายานตัสรูมีโพธิมีอภิญญาเป็นตัวตรัสรูตัศรูเองของเราได้ของเราจนกระทั่งเป็นตัวตัสรูได้เองอย่างแท้เลยเป็นทรัพย์แท้ของเรา เป็นซับแท้ของเราแล้ต่อไปก็เป็นตัวปัจจัดตังเป็นปัจเจกต่อไปนะเรามีเองเป็นเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นได้เองเป็นเองแล้วนั่นก็ค่อยสะสมปัจเจกไป ท, ลทีละหน่วยทีละหน่วยไปเรื่อยเรยเหมือนกันจนกระทงเป็นอรหันต์แล้วทีนี้จะเป็นโพธิสัตว์ต่อคุณก็มีปัจเจกของตัวเองส่วนหนึ่งไปเลยเกิดเป็นสยังกัพิญญาเป็นจัดปัจเจกเกิดมามีทรัพย์มาพร้อมมี จะต้องมีเพราะมันมีที่มาจะมีอย่างนี้ได้ก็เพรา ะ, สะสรัสมสมจริงถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าองค์ออ ก, ก่อนๆหรือพระสาวกองกรที่ถ่ายทอดมามีพระสมาสมุทตเจา้าก็มีปัจเจกสมาสามุธทธะของพทธเจา้าถ่ายทอดมาจนกระทั่งมาถึงอริยะต่างๆมีอรหันต์รับถ่ายทอดมาเรื่อยๆมาเป็นสายหมดพระสมาสมุทตเจ้าแล้วก็เหลือปัจเจศมาสามุทธะ หรือโพธิสัตว์ที่สืบทอดปัจเจกสมาธิพุทธากับถ่ายทอดมาจนกระทั่งอรหันทรับถ่ายทอดอรหันก็เริ่มมีปัจเจกขึ้นไปมันก็จะเลื่อนชั้นอยู่เรื่อยๆอรหันก็เลื่อนชั้นไปเป็นปัจเจกปัจเจกก็ต่ออรหันก็มาสิโซนาคามีสกิทามีโสดาไล่มาจนกว่ามันจะพร่องมาจนกระทั่งปัจเจกก็ร่อยร้อลงไปจนกระทั่งเหลือแต่อรหันอรหันก็ร่อยร้องไปเรือนาคานาคาเรือสกิธาสกิทาเรือโสดาจนกระทั่งมันหมด ไม่มีอะไรสืบทอดแต่ตอนนี้ยังมีได้ยังพอมีเนื้อหาอารยะในระดับที่เราพอไปเพราะว่าพุทธศาสนาเพิ่งจะครึ่งครึ่งพุทธสมัยถ้าสมัยใน ย, ยุคของพุทธเจ้านี่มี5้า0ันปีก็เพิ่งจะ 2,500 ปีกว่าเท่า น, นั้นเองก็พิสูจน์กันไปจะเห็นได้ว่ายิ่ง 2,500 ปีขึ้นไปเนี่ย มันยิ่งมีความต้องการเนื้อหาของสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามากเพราะโลกมันเยอะโลกมันหยาบเพราะนั้นความต้องการเนี่ยเหมือนดีมานมันยิ่งมีดำเรายิ่งต้องการขาวเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงชั้นใดก็คล้ายกันมีร้อนมากก็ยิ่งต้องการเย็นมากเพื่อมาทวงชั้นใดก็ชั้นนั้นทุกวันนี้มันร้อนมากมันโอ้ยอสัจธรรมมันเยอะ อะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมันต้องต้องการเนื้อหาที่เป็นเนื้อแท้ข้ามทวงนะอย่างน้อยที่สุดเราเป็นผู้เรียนรู้ผู้ปฏิบัติประพฤติโพธิสะสมทำจริงพิสูจน์ไปนะในพวกเรานี่จะเห็นได้ว่าราชธานีโสงนี่เราเกิดมาทีหลังก็จริงอยู่แต่มันมีฐานมันมีอะไรอะไรเป็นองค์ประกอบปูมามันก็เลยสนับสนุนส่งเสริมเราไอ้นี่ก็เลยดูมันง่าย มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ดูเอ๊ะทำไมมันก้าวมีก้าวกระโดดมีอะไรเร็วมีอะไรไวบางคนถามอาตมาถึงกันว่าอาตมาตั้งขอสังเกตว่าทำไมนะผู้ใหญ่บ้านนี่มาสนับสนุนส่งเสริมใ้เป็นหมู่บ้านไวจังมันไม่ใช่เรื่องง่ายงาธรรมดาธรรมดานะามันไม่อยากช่วยทำไมตัวเองก็เป็นคริตไ้นิกพุทธไปซ้ำ บอกอาตมาต่างข้อสงสัยว่าทําไมผู้ใหญ่บ้านทําไมมาสนับสนุน ส, งส่งเสริมจะให้เราตั้งตั้งตั้งกิดรู้แสนรู้ว่าโถบ้านก็ยังมีไม่กี่หลังคนก็ไม่มีไม่กี่คนไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยๆกั น, นอันนี้ก็ผมช่วยเองอันนี้ผมทําเองอันนี้มันคือมามอนแทลุยลุยไปเลยเอมันคือมามอนแทมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมันก็ตลกเราไม่ได้เปหลอกไป็นล่อเขาเราไม่ได้เปบังคับเขา แต่ทุกอย่างมันเกิดเพราะเหตุปัจจัย mm hmm. เกิดเพราะความจริง mm hmm. เพราะนี้มันเกิดเพราะเรานี่แหละสร้างสรรความจริงดีๆไปเถอะพิสูจนที่ว่าดีนี่มันจะไม่ทำให้คนเองคนอื่นมาช่วยเหลือคนที่เป็นศัตรูก็ต้องกลายมาเป็นมิตรเพราะเราไม่ได้ปรารถนาร้ายกับใครพิสูจนทธรรมะพระพุทธเจ้าไปเถอะเพราะงั้นงานอาชีพการงานรูปธรรมพวกนี้มันจะเป็นเครื่องที่จะเขาจับได้ เขาจะยืนยันได้มีรูปธรรม ท, ที่ชัดเจนเนี่ยมันจะอธิบายได้แต่ก่อนมันเป็นนมามธรรมเราพูดอยู่แล้วหลักฐานก็ไม่มีสมาชีพก็ยังไม่ชัดกรรมมันตะ ก, ก็ยังไม่ดูทำอะไรเป็นโลเป็นภายตอนนี้ชักจะมีบทบาทแล้วเนี่ยโอโ้โหขึ้นเวทีเจ้าประคุณเนยพวกตีนเปล่าขึ้นมาเป็นวิทยากรในระดับรองอธิบดีผู้อานวยการก็ต้องมาอาศัยวิทยากราวิทยากรตีนเปล่า ให้ไปอธิบายแล้วก็รับเลยนะเยอะยกย่ยยองเฉิดชูรับมาสมอ้างด้วยแล้ววันนี่อย่างนี้อย่างนี้รับรองฐานะด้วยนะรับยองวิท า, าฐานะในทีนะอะไรอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ระวังจะหลงตัวละเลงนะหางงอกระวังระวังหางจะงอกก็แล้วกันนะแถมเงินอีก4ี่พันอะไรเงี้ย เราจะบอกว่าเขาไม่จริงใจก็ไม่ได้แต่ก็ระวังจริงๆถ้าเขาไม่จริงใจก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราเองเราก็ทํางานเขาก็ทํางานหน้าที่อย่างนั้นเราก็รู้อยู่แล้วเราก็ยินดีจะส่งเสริมเราก็ยินดีจะช่วยเหลืออะไรที่จะเป็นไปได้เราเราทดสอบของเราให้ดีกันแล้วกันเอาของไม่ดีไปให้เขาอ่ะเราก็นึกวันนี้ดีแล้วปรับปรุงแก้ไขพิสูจน์ของเรานี่แหละให้ดีดีๆทําเนื้อทําหานี่ไปมาถึงวันนี้แล้วนี่ถึงราชธานีก็ถึงบอกว่ามันดูง่ายอะไรหๆอย่างดูง่าย แต่ระวังมันจะมักง่ายเอายังไงเขาก็ช่วยเราเอาอย่างนี้เราเอาบุเรไปกันแล้วกยังไงเขาก็เชื่ออย่างไงเขาก็ช่วยยังไงเขก็เชื่ อ, ย, งงอย้อมแมวขายไปได้เรื่อยระวังอย่าย้อมแมวต้องพยายามทําให้มันเป็นเนื้อแท้เนื้อแท้เนื้อแท้แท ม, มีคุณภาพมันไม่ดีก็บอกครับวันนี้ยังไม่ดีเท่าไรนะอันนี้ก็บอกเขาไม่ต้องบิดปิดบังอําพรางสร้างได้สร้างไปทําได้ทําเนื้อแท้ที่เรามีปัญญาหยัดหยัดไปให้มัน กลายเป็นเรื่องที่ไม่สมบูรณ์ก็ไปว่าสมบูรณ์เรื่องที่ไม่ดีก็ว่าดีอะไรนี่ย่าไปหลงตัวหรือมันดีแล้วก็อย่าไปถ่อมตัวเกินไปนักเป็นเป็นมาณอัตตาสิ่งที่ไม่ดีก็ว่าดีหรือสิ่งที่ดีก็ยังว่าไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีจริงๆริงถ่อมตัวเกินไปหรือมันหลงผิดเองจริงแล้วว่ามันดีแล้วก็ยังคิดว่ามันมีดีนี่ก็ไม่ได้ต้องรู้บางอย่างมันมีที่สุดเออนี้ดีที่สุดแล้วดีที่สุดกว่านี้มีมีอีกก็ให้มันชัดดีกว่านี้ยังมีอีกอยู่ ก็ให้มันชัดทำให้มันดีขึ้นไปอีกถ้ารู้เปอร์เซนต์มันชัดเลยว่าเอออันนี้ดีเท่านี้ 50% นี่6ก 70% 80% ็ก็คือผู้รู้ที่สมบูรณ์นะไม่เบลอไม่พลาดเอาละอัตมาในสาธยายมาตั้งแต่ฐานจิตธรรมะที่ลึกซอยเข้าไปมีอะไรสอดคล้องกันขยายกันอย่างมากมายจนกระทั่งมาถึงรูปธปรรมข้างนอกที่เรากำลังดำเนินไปเป็นอยู่ กทราชธานีทิวาเนี่ยนะมันเกิดเป็นแหม่มันชื่อไม่เลขนะราชธานีเนี่ยทามันเป็นกลุ่มแกนที่เป็นโมเดลที่ขยายพัฒนาขึ้นมาได้ปฐมปร ะ, ะสค์มีข้อบอกพร่องเรียนรู้มาแต่ตนสันติประคมีข้อบอกพร่องศีสะก็ดีสาลีก็ตามมีจุดที่เรายังไม่สมบูรณ์แล้วก็มามีดีส่วนหนึ่งมีบกพร่องส่วนหนึ่งมาเรื่อยเรื่อยเที่นี่เป็นราชธานีอระสค์ขอให้รอดรับ ด, ดูดีๆอะไรบกพร่องเอามาเรียนรู้แล้วแก้ไขจุดนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็เป็นละ สิ่งไหนที่สมบูรณ์แบบมันไม่จะเป็นไปได้เ ง, งินงี้มันน่าจะดีนี่มันก็เกิดได้หมู่บ้านก็เกิดได้ดีจะมาบ้างไม่มาบ้างอะไรก็เถอะอาตมาว่าก็รองพยายามกันดูอย่างน้อยที่สุดเป็นแกนที่จะนําพานําพาไปอาหารเป็นเอกในโลกเพราะฉะนั้นเราสร้างอาหารที่เป็นอาหารไร้สารพิษเป็นสิ่งที่เรากินเราใช้เราไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกจริงๆพวกที่มันเป็นสิ่งที่โลกสมัยนี้ก็ต้องการอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราก็เอาเครื่องยืนยันที่เป็นโลกร่วมรับร่วมรู้กันได้นี่แหละ เป็นสิ่งจริงนะอ่ะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแค่เวลา